ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตรพระเยซูตอนที่สามร้อยเจ็ดคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่แปดสิบสองขออย่านาข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองพี่น้องครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในเช้าวันนี้ผมขอทบทวนสิ่งที่เราทั้งหลายได้เรียนรู้มาโดยตลอดนะครับเมื่อเราอธิษฐานว่า ขออย่านําข้าพระงเข้าไปในการทดลองเราจะต้องมีท่าทีเปลี่ยนแปลงนะครับท่าทีที่มีต่อความบากของเรานั้นต้องเปลี่ยนแปลงเวลาที่เราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระงเข้าไปในการทดลองนั้นเรากําลังยอมรับว่าอํานาจของความบาปนั้นที่มีผลต่อชีวิตของเรามันเยอะแยะมากมายแทบจะควบคุมไม่ได้เลยทีเดียวอํานาจของมัน เมื่อเราอาธิษฐานว่าขออย่านาข้าพรงเข้าไปในการทดลองเรากำลังยอมรับสิ่งที่ทาความบาปนั้นทำกับเราและเราไม่ต้องการกลับไปเป็นทาสของมันอีกเมื่อเราอาธิษฐานว่าขออย่านำข้าพงเข้าไปในการทดลองเรารู้ว่าธรรมชาติฝ่ายต่ำของเรานั้นพยายามที่จะมีแนวโน้มที่จะให้ความร่วมมือกับการล่อลวง เมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านําข้าพงเข้าไปในการทดลองเรากําลังขอให้พระเจ้าคุ้มครองเราไม่ให้ทําบาป พ, พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมจบลงที่ว่ายูดานั้นได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ว่าขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมิให้ลม้มยูดากําลังกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่พระเจ้ามีความสามารถ มีฤทธานุภาพมีอำนาจมากกว่ามารซาตานมากกว่าสมุนของมันมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างและอำนาจของพระเจ้านี้สามารถคุ้มของเรามิให้ล้มได้นั่นหมายความว่าพระเจ้านั้นได้ทรงคาดหวังครับพระเจ้ามีความคาดหวังให้บุตรของพระองค์นั้นชนะการทนลองได้พระเจ้าคาดหวังว่าเรา จะไม่ทำบาปได้พระองค์ทรงมีอำนาจมีฤทธิ์ที่จะคุ้มครองรักษาเราไม่ทำบาปและเราจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะได้การดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะนั้นไม่เหมือนกับการดำเนินชีวิตโดยปราศจากบาปกับพี่น้องโปรดฟังกครั้งนะครับการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะนั้นไม่เหมือนกับการเดินดำเนินชีวิตโดยปราศจากบาปโปรดระลึก ว่าเมื่อพระกรมัมภีสัญญาว่าพระเจ้าสามารถคุ้มครองรักษาท่านเมลมนี่คือการยืนยันถึงความเป็นไปได้ว่าพระเจ้าสามารถคุ้มครองเราไม่ให้ทำบาปเพื่อเราจะไม่ล้มหลงพี่น้องครับพี่น้องต้องเข้าใจความหมายของประโยคนี้ให้ดีนะครับพระเจ้าสามารถคุ้มครองเราได้แต่เราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามก็เป็นการคาดหวังจากพระเจ้าครับ ความเป็นไปได้อย่างสูงว่าพระเจ้าคุ้มครองเราไม่ทําบาปได้เพื่อเราจะไม่ล้มลงพี่น้องครับเราสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะได้และการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะนั่นหมายความว่าเราเอาชนะบาปแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเมื่อเวลาผ่านไปนะครับนี่คือความเจริญก้าวหน้าความเติบโตของชีวิตบริสุทธิ์ ที่เอาชนะชีวิตไฟต่ําประเด็นต่อไปในวันนี้ก็คือเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านําค่าโครงเข้าไปนในการทดลองเรากําลังขอรับการชําระให้บริสุทธิ์จากพระเจ้าครับพี่น้องครับให้เราดูคําว่าการชําระให้บริสุทธิ์มีความหมายถึงการแยกออกครับแยกออกหรือการปรนตัวให้เป็น เครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าอันนี้คือการชำระให้บริสุทธิ์การแยกออกเพื่อถวายแด่พระเจ้าอคาทูสเ ป, ปาโลนั้นได้อธิษฐานเพื่อชาวเทสเนกาว่าขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขจงทรงให้ท่านทั้งหลายเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขนั้นทรงให้ท่านทั้งหลายเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดอันนี้อยู่ในพระธรรมหนึ่งเทสเนกาบทที่ห้าข้อยีิบสาครับ คำว่าการให้เรานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดนั้นก็คือหมายถึงการชำระให้บริสุทธิ์ครับเป็นการแยกตัวออกมาจากโลกแยกตัวออกจากความบาปและเมื่อพระเจ้าชำระเราให้บริสุทธิ์แล้วก็ถูกกันออกมาเราถูกแยกออกมานะครับตรงนี้แหละมีความหมายถึงคำว่า separation นะครับ separation ก็คือการแยกตัวออกจากโลก การแยกตัวออกจากโลกนั้นมีความหมายรวมถึงการแยกตัวออกจากคำสอนที่ผิดเพี้ยนด้วยครับเมื่อพระเจ้าชําระเราให้บริสุทธิ์นั้นพระเจ้าชําระเราจากความผิดความบาปเวลาที่เราอยู่ในการทดลองหรือการล่อลวงพี่น้องครับพระเจ้าสามารถที่จะให้เรามีชัยชนะได้ในขณะเดียวกันครับเมื่อเรามีชัยชนะต่อบาปแต่ละอย่างแต่ละอย่าง เราก็จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนั่นหมายถึงภาพเดียวกันกับการตรึงตัวเองบนไม้กางเขนที่ท่านอาจรย์คเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสแล้วพี่น้องครับข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสแล้วนั่นเป็นคําถามของข้าพเจ้าของผมที่มีต่อพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้เมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านําข้าพงเข้าไปการลองเรากําลังเข้าสู่กระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์ครับ เราถูกแยกออกจากโลกเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่เพื่อแผ่นดินของพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การเชื่อฟังพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การทรงชำระให้บริสุทธิ์จากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์และพระโอชนะของพระเจ้าดังนั้นเรากำลังขอให้พระเจ้าแยกตัวเราเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์และอยู่เพื่อพระองค์พี่น้องครับ เช้าวันนี้สาระของเรานั้นไม่ยาวนักแต่มีความสลักสําคัญมากเพราะว่าเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านําข้าพงเข้าเป็นการลองนั้นเรากําลังขอพระเจ้าชําระเราให้บริสุทธิ์และการชําระเราให้บริสุทธิ์นะครับพี่น้องครับพี่น้องจะต้องสังเกตและเห็นถึงความจําเป็น ในขณะเดียวกันครับเราก็จะเห็นกระบวนการก็คือเป็นกระบวนการการชําระให้บริสุทธิ์ครับมันไม่ใช่เป็นการชําระให้บริสุทธิ์ครั้งเดียวและจบไม่ใช่ครับแต่เป็นการที่ชีวิตของเรานั้นจะมีสิ่งที่ดีเพิ่มพูนขึ้นและสิ่งที่ชั่วร้ายลดลงทําความดีมากขึ้นทําความบาปน้อยลงทําตามน้ำมันไทยของพระเจ้ามากขึ้นทําตามใจของเราน้อยลง เพื่อให้ชีวิตของเรานั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้นั่นก็คือมีชีวิตที่แยกตัวออกเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าพี่น้องครับเวลาที่เราเข้ามาสู่กระบวนการนี้หลายหลายคนไม่ชอบครับเพราะว่าจะต้องต่อสู้หลายอย่างต่อสู้กับการทดลองต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับโลกต่อสู้กับความรู้สึกต่อสู้กับอารมณ์ต่าง แต่ความปรารถนาใฝ่ต่างนะครับนี่คือสิ่งที่เราหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นจะต้องมีประสบการณ์ครับและจากตรงนี้นี่เองทําให้เราจะรู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงพระชนอยู่และพระเจ้าของเรานั้นมีฤทธานุภาพมีอํานาจที่จะช่วยเราได้หลายหลาคนพ่ายแพ้ต่อการทดลองหลายหลายคนนั้นตกสู่กับดักของมารซาตานและการล่อลวงของมันเพราะเหตุที่ว่าเรานั้นพึ่งตัวเองเราไม่ได้พึ่งพระเจ้าเท่าที่ควร แต่เมื่อเราแพ้แล้วแพ้อีกนะครับเราจะต้องเป็นคนที่ล้มแล้วลุกพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่จำเป็นมากสาหรับชีวิตคริสเตียนครับไม่มีใครที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์หมดจดแต่ว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเกี่กับการชำระให้บริสุทธิ์นั้นเป็นกระบวนการครับเป็นกระบวนการที่จะต้องพึ่งพาสองอย่างก็คือพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระวจนะของพระเจ้านั้นจะเปิดเผยให้เราทราบถึงความจรงิง ความถูกต้องและมาตรฐานของพระเจ้าในเมื่อคนเรานั้นจะรู้มาตรฐานของพระเจ้าเราก็ไม่มีข้อแก้ตัวว่านี่คือสิ่งที่เราถือปฏิบัติมากันเป็นเวลานานนี่คือประเพณีของกลุ่มชนหรือสังคมของเรานี่คือสิ่งต่างที่เราพิจารณาและปฏิบัติในขีจักรของเราในครอบครัวของเราสิ่งเหล่านั้นตกไปครับเมื่อเทียบกับมาตรฐานของพระเจ้า เ ม, เ, เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับพระเจ้าเราจะต้องรับเอากฎหมายหลักของพระเจ้านะครับต้องยอมรับกฎหมายหลักของพระเจ้ามาเป็นกฎชีวิตของเราอันนี้คือประการแรกประการที่สองก็คือเราจะต้องยอมรับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพระวิญญาณบริสุทธิ์มีผลเก้าอย่างนะครับเพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์ครับครับจากสองป ร, ประการนี้เองก็คือพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถชำระเราให้บริสุทธิ์ได้ เราจะต้องเปิดใจออกและมีจิตใจแห่งการเชื่อฟังยอมรับครับเมื่อเรามีจิตใจแห่งการเชื่อฟังยอมรับชีวิตของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆชีวิตของเราจะบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆชีวิตของเรานั้นจะทำดีมากกว่าทำชั่วมากขึ้นเรื่อยๆและนี่คือประสบการณ์ที่พระเจ้าจะช่วยเราเนไหครับเมื่อเราอ่อนแอเหมือนกับท่านอาครรุตบาโลได้บอกว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธิเดชของพระเจ้าจะปรากฏชัดมากขึ้นที่นั่นเห็นไหมครับในกระบวนการการชำระให้พุทธก็เช่นเดียวกันครับ เมื่อเราอ่อนแอรพระเจ้าจะช่วยเราไม่ว่าเราจะอ่อนแอทางด้านไหนก็ตามนะครับทางคำพูดทางความคิดทางการกระทำในเรื่องเพศในเรื่องการเสพติดในเรื่องเสี่ยงต่างๆที่เป็นอบายมุกทั้งหลายเราสามารถที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ขอพี่น้องจะรับพระพรแห่งการชาระให้บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกทุกวันอาเมน